และคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎกปอประยุตโตรวมทั้งท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิอัตมารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎกปออประยุตโตโดยส่วนตัวอัตมาก็มีความเคารพนับถื อ, อท่าน จ้คุณพระภมคุณาภรณ์หรือว่าในอดีตคือพระธรรมปิฎกปอปยุตโตเป็นอย่างยิ่งแล้วเมื่อได้รับรางวัล น, นี้นะก็รู้สึกว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติเพราะเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นในฉายาของพระคุณท่านอันที่จริงแล้วอตมาไม่ได้เป็นนักการศึกษาอย่างพระเดดพระคุณพระภมคุณาภรณ์อีกทั้ง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 หรือว่าการก่อความรุน ร, นรุนแรงในรูปของการก่อการร้ายนี่มากมายมีผู้ประเมินว่าทุกวันนี้เนี่ยมีสงครามและการลดพุ่งอยู่ประมาณ80ประเทศหรือว่าหนึ่งในสของอประชากรโลกซึ่งหนึ่งใน80ประเทศนั้นนะก็คงจะรวมถึงประเทศไทยด้วยเพราะว่าความรุนแรงถึงขั้นนะ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 ด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาภาษาลทัทธิอุดมการก็ยังมีอยู่กระจ า, กกะจายไปทั่วจนเกิดกระทั่งการเข็นฆ่าเลือดตกยางออกในเมืองไทยเรานะก็มีเหตุการณ์ทํานองนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะระยะล่าสุดก็เมื่อปี2553นะก็เกิดความรุนแรงกลางกรุงมีคนตายนับร้อยบาดเจ็บหลายพัน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 มันน่าคือความถือตัวทิศที่ก็คือความยึดติดในอุดมการในความคิดความรุนแรงและสงครามจํานวนไม่น้อยเนี่ยเกิดจากการแย่งชิงผลประโยชน์แย่งชิงทรัพยากรและจํานวนไม่ น, น้อยเนี่ยก็เกิดจากการกีดกันข่มเหงกันด้วยเหตุทางศาสนาภาษาเชื้อชาติ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 แม้ต้องการดอกแม้ต้องการน้ําหวานจากดอกไม้แต่ก็ไม่เคยทําให้ดอกไม้นี่ต้องเสียสีเลยผีเสื้อนั้นเนี่ยต้องอาศัยน้ําหวานจากดอกไม้แต่ว่าไม่ว่าจะตอมตม้มจะตอมยังไงก็ตามดอกไม้ก็ไม่เคยบอบช้าหรือเสียสีอันนี้ก็ผู้เจ้าตรัสเช่นนี้เพื่ออุปมาว่าพระเราก็ควรจะปฏิบตัติต่อญาติโยม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 ความต้องการของตัวเองเพราะมีความสุขอยู่แล้วภายในก็ไม่จำเป็นต้องมีทรัพยากรมาปนเปื้อมากมายอย่างที่เคยเชื่อเคยเข้าใจเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสันติสุขภายในเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสําคัญของสันติภาพในสังคมและสันติภาพในธรรมชาติด้วยเห็นนี้เองอัตมาในฐานะที่เป็นาชาวพุทธนะที่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 ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนและก็เมื่อเป็นนักศึกษาเนี่ยก็นับว่าเป็นโชคของธรรมามากพอหากว่าเพราะในเวลานั้นเนี่ยในช่วงปี25งพ1นหนึ8เปนี่ยเป็นช่วงที่บ้านเมืองเนี่ยนะกำลังมีความขัดแย้งทางการเมืองและแนวคิดหนึ่งที่ได้รับความเป็นที่นิยมมากก็คือการแนวคิดแบบสังคมนิยม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 อเจ้าคุณประยุทธนะ์ก็คือพระราชวโรนีซึ่งตอนนั้นท่านก็เริ่มเขียนหนังสือพุทธธรรมแล้วนอกจากนั้นอาจารย์พุทธทาสก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีอิทธิพลในทางความคิดต่อตามมาที่ทำให้น้อมใจมาสู่พุทธศาสนาทำให้เห็นว่าการขัดเกลาจิตใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น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 ในเหตุการณ์ครั้งนั้นและทุกท่านก็ทราบดีว่าเหวันที่16ตุลาคมนั้นลงเอยด้วยความรุนแรงถึงขั้นนองเลือดมีคนตายนับร้อยถูกจับกุมนับพันสกว่าพันสามพกว่าคนอาตมาก็เป็นหนึ่งใน3ามพคนนั้นที่ถูกจับกุมที่หมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนั้นเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ปีสองการจับกุม น, น, นั้นเนี่ยเนื่องจาก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 นักศึกษาที่จะต้องถูกลําลเลียงขึ้นรถเพื่อที่จะนํานไปจับกลุ่มดําที่ว่าระหว่างที่วิ่งขึ้นรถนั้นเนี่ยก็มีสองแถวประชาชนผู้รักชาติเนี่ยคอยต้อนรับต้อนรับด้วยการเตะด้วยการถีบนะแถวนั้นก็แคบมากเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกเตะถูกถีกถบ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 มันทำลายมนุษย์จริงๆมันทำลายความเป็นมนุษย์อย่างชัดเจนในใจตอนนั้นไม่ได้รู้สึกโกรธเกลียดเขาเลยนะแต่รู้สึกสมเพชสงสารว่าเขาปล่อยให้ความโกรธความเกลียดครอบงาใจจกนกระทั่งทําลายความเป็นมนุษย์ของเขาในตอนนั้นยังแปลกใจว่าทำไมไม่โกรธไม่เกลียดเขามันมีแต่ความสมเพชและสงสารและประสบการณ์นั้นก็ทําให้เห็นภัยของความโกรธความเกลียดแล้วก็ตั้งใจว่าจะ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 จะทํางานนะในการส่งเสริมอหิงสาและไม่สนับสนุนความโกรธเกรียดและตั้งแต่ตอนเป็น <thanked> ครารวาสมาก็พยายามทํางานเกี่ยวกับด้านสัน ต, ติวิธีนะเพื่อให้คนได้มีทางเลือกในการแก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงและเพื่อและขณะเดีวยวกันก็พยายามขีดเขียนแล้วก็แปลหนังสือเพื่อให้คนได้ตระหนักว่าความโกรธเกรียดไม่ใช่คําตอบมนุษย์ไม่ใช่ศัตรู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 เรื่องงานภาวนาเรื่องการสอนวิปัสสนากรรมฐานเรื่องการเจริญสติก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อาตมาให้ความสำคัญแล้วก็โชคดีที่มีมีหมู่มิตรมาได้ร่วมช่วยกันโดยอาศัยที่วัดป่าสุกโตนี่แหละนะเป็นที่ช่วยเสริมสร้างสันติสุขใน ใ, นใจของผู้คนแล้วก็หมู่มิตรนะดังกล่าวนะทั้งที่วัดป่าสุกโตทั้งที่วัดป่ามหาวัน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 การศึกษาที่ถูกต้องเนี่ยต้องย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจอย่างรอบด้านทั้งด้วยทั้งที่ปรากฏมาเป็นการกระทำและคำพูดก็คือทาและศีลและที่ปรากฏออกมาในจิตใจโดยสายภาวนาหรือว่าสมาธิและปัญญาเป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาระของชาวพุทธ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 และเห็นความจําเป็นนะของการที่จะขัดเกลาจิตใจภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยและสิ่งเหล่านี้ควรจะทำให้เผยแพร่ออกไปโดยไม่จํากัดอยู่กับใครใคนใคดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ก็รู้สึกขอบคุณนะทางบุญนิธิการศึกษาพู้สันติภาพพระธรรมปิฎกปอประยุตโตที่ได้มีรงางวัลเชิดชูเกียรติ ซึ่งอย่างที่อาตมาได้กล่าวไว้แล้วว่าไม่ใช่เป็นการเชิดชูเกียตรติตัวบุคคลเท่านั้นแต่ว่าจุดสิ่งสํำคัญคือการเชิดชูธรรมะนะเพื่อที่จะได้มีกําลังในการที่จะลดความรุนแรงในสังคมลดความรุนแรงธรรมชาติแล้วก็ลดความรุนแรงในจิตใจงผู้คนเพื่อทําให้เกิดสัิภาพสันติสุขอย่างรอบด้านและครบถ้วนก็ขอขอบคุณคณะกรรมการ การศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิทธรมปีโดปวิปยุตโตอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้กรุณามาให้เกียรติแก่ตมาแล้วก็ขอขอบคุณนุมโมทนาในกิจกรรมของมูลนิธิที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 24, 25, 24 2ม4รซึ่งไม่เพียงแต่มีการมอบรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพเท่านั้นแต่ยังมีกิจกรรมหลายอย่างทั้งการพิมพ์หนังสือการ จัดสัมมนานะทั้งนี้เพื่อให้แนวคิดเรื่องการศึกษาเพื่อสันติภาพซึ่งพระเดชพระคุณพระผมคุณาพรได้ได้ไ ด, ได้ได้เป็นผู้ริเริ่มนำเสนอมาตั้งแต่20กสบกว่าปีหรือ30ปีที่แล้วจนกระทั่งท่านได้รับรางวัลจากยูเนสโกเมื่อปีสอนหรอม ะ, ะ 37, นะก็หวังว่าคนกรรมการทุกท่านนะจะมะีกำลังในการทำงานและได้รับความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง